แต si ่ถ şey ok ้าท ah. ี่อื่นเนี่ยนะไอ้คำว่าอธิมุตเนี่ยนะหมายความว่าสัตว์ที่มีอธิมุตเลวก็ย่อมคบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตเลวสัตว์ที่มีอธิมุตปานกลางก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตปานกลางสัตว์ทั้งหลายที่มีอธิมุตประณีตก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตประณีตแม้ในอดีตการก็เป็นอย่างนี้แหละแม้ในอนาคตการต่อไปก็ อย่างนี้แหละแม้ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละพวกนักฆ่าทั้งหลายก็จะสมาคมกับพวกนักฆ่าพวกสายธทมปาณาติบาตก็คบหาสมาคมกับนักรมปาณาติบาดด้วยกันพวกรรทำอธินนาทานก็คบหาสมาคมกับพวกทำอทินนาทานด้วยการพวกทำกาเมสุมิจฉาจาร์มันก็แสวงหาคนทาตเดียวกันประเภทการเมสุมิจฉาจาร์นักมุสาวาตก็คบหาสมาคมกับพวก มุสาวาตพวกพุศวาจาปิสุณาวาจาพวกสัมผัสปลาปะก็ไปคบหาสมาคมกับพวกสัมผัสปลาปะพวกมากไปด้วยอภิชาก็คบหาสมาคมกับผู้มากไปด้วยอภิชาพวกมีพยาบาทก็คบหาสมาคมกับพวกนักพยาบาทด้วยการพวกมิจฉาทิฏฐิก็ไปคบหาสมาคมกับพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพันสัตว์ที่มีอธิมุตเลวจะคบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตเลวนะนเ แม้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้แม้ในอนาคตต่อไปสัตว์ที่มีอาทิมุตเลวก็จะคบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตเลวผัสสัตว์ที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิจะคบหาสมาคมกับพวกมิจฉาทิฏฐิพวกที่มีมิจฉาสังกัปปะก็จะคบหาสมาคมกับพวกมิจฉาสังกัปปะพวกมิจฉาวาจาก็ไปหาสมาคมกับมิจฉาวาจาพวกมิจฉากัมมันตะก็ไปแสวงหาสมาคมกับพวกมิจฉากัมมันตะพวกมิจฉาอาชีวะ ก็ไปคบหาสมาคมกับพวกมิจฉาอชีวะพวกมิจฉาวายามะก็คบหาสมาคมกับพวกมิจฉาวายามะพวกมิจฉาสติก็คบหาสมาคมกับพวกมิจฉาสมาสติพวกฟุ้งซ่านก็ไปหาสมาคมกับพวกฟุ้งซ่านด้วยกันก็ชวนกันฟุ้งไปหมดอย่างเงนะตรงกันข้ามสัตว์ที่มีอธิมุตดีเครียกว่ามีอธิมุตรประณีต เป็นพวกที่มีอธิมุตประณีตก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตประณีตเช่นว่าพวกน้อมไปเพื่อการเว้นจากการฆ่าพวกนี้ก็สมาคมกันพวกนี้เกิดมาประท้วงว่าห้ามทําสงครามหัวหน้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็จะสมาคมกันว่าอย่าทําปาณาติบาตเลยอย่าเลยอย่าเลยพวกที่น้อมไปเพื่องดเว้นจากอธินนาทานเป็นต้นพวกนี้ก็จะบอกว่าอย่าเลยการคดการโกงการทุจริตไม่ดี พวกที่เห็นโทษของกาเมสุมิฉาจาร์มันก็ไปรวมตัวกันว่ากาเมสุมิฉาจาร์ไม่ดีพวกสัมมาวาจาก็บอกว่าเอออย่าไปานะมาประพฤติสัมมาวาจากันนะะพวกพวกวจีสุจริตก็ไปคบหาสมาคมกับพวกวจีสุจริทพวกมโนสุจริตก็คบหาสมาคมกับพวกมโนสุจริทเพราะมันเป็นไปตามธาต์านะมันเป็นไปตามธาต์จริงๆกนะ็ว่ากั้น แม้กระทั่งในพระสูตรสูตรหนึ่งก็บอกว่าทำรรมรดถึกก็มีบริษัทตามสมควรแก่แก่ตนเพราะฉะนั้นนักเพรสเจอร์ก็มีคนที่ชอบฟังเพรสเจอร์เป็นต้นนะผู้ที่แสดงเป็นอัดเป็นธรรมก็มีผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นอัดเป็นธรรมชอบฟังก็บอกว่ามันตามอัธยาศัยเป็นไปตามาธาต์เพราะฉะนั้นมันรวมรวมกันสุดแท้แต่อธัธมุตเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ า, าธาต์เหล่านี้มันแยกได้นะมันแยกาธาต์แล้วมันก็สลับาธาต์ได้ แล้วมันแปรธาตุได้เขาบอกกันเออแปรธาตุได้จากคนดีหันไปเป็นคนเลวและจากคนเลวหันมาเป็นคนดีดีบ้างเลวว่างสลับเคล้าเค้ากันไปอย่างนี้มันก็แปรธาตุได้สลับธาตุได้ถ้ามันแปลเป็นธาตุใดมันก็จะไปเข้าเข้าไปหาธาตุนั้นนะมันแปรเป็นธาตุดีมันก็จะไปรวมตัวกับคนดีมันเลวเมื่อไหร่ก็แปรไปหากลุ่มเลวๆเนี่ยนะทำมิจฉาเมื่อไหร่มันก็ไปหาพวกประเภทมิจฉาด้วยกันนะเช่นทำมิจฉาวาจามันก็ไปหากลุ่มมิจฉาวาจาด้วยการพูด เพาะงมันจะไปคุยออกรถออกชาติได้ยังไงใช่ไหมถ้าเพอร์เจอร์มันต้องไปหาไอ้ธาตุเพอร์เจอร์ด้วยกันมาจะได้เพอร์เจอร์กันได้ถ้าจะพูดเป็นอัดเป็นธรรมก็ต้องไปหาเพื่อประเภทพูดเป็นอัดเป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้มันก็เป็นไปตามธาตุสุดแท้แต่ธาตุแบบไหนนะสุดแท้แต่ความปรารถนาแบบไหนเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นนะ่ะมีธาตุที่แตกต่างกัน นนะพระองค์จึงรู้ความแตกต่างแห่งอธิมุตด ร, รู้ความต้องการรู้ความประสงค์ของสาทั้งหลายว่าใครมีความประสงค์อะไรต้องการอะไรสะแสวงหาอะไรพระองค์รู้ทั้งหมดเนี่ยนะถามว่ารู้รู้เพื่ออะไรรู้ว่าจะแปลจัดาธาตุเร็วให้เป็นาธาตุดีๆได้ยังไงแล้วส่งเสริมาธาตุที่ดีๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรเป็นต้นนั้นพระองค์เนี่ยรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็รู้ ด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยด้วยพระปัญญาแล้วก็สงสารเขาด้วยกรุณาว่าถ้าเขาประกอบอยู่ด้วยธาตุที่เลวๆเนี่ยนะจะช่วยให้เขาได้ได้รับธาตุที่ดีๆได้อย่างไร น, นะเขาจะเจริญกุศลได้อย่างไรเขาจะ ป, ะปฏิบัติในข้อ ป, ปฏิบัติเพื่อความ ดับทุกเป็นต้นได้อย่างไรไม่ใช่ว่ารอบรู้จริตนิสัยของสัตว์แล้วจะได้คดโกงเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่แต่รู้เพื่อจะได้สงเคราะห์ประโยชน์จะได้เกื้อกูลแก่เขาเหล่านั้นเนี่ยนะส่วนอะาอาไปโทษสพลยานต่อไปเนี่ยนะในหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าย่อหน้า สัตว์เหล่านั้นผู้ปรารถนาอย่างนี้โดยประการใดย่อมสมาทานย่อมถือปฏิบัติซึ่งกรรมสมาทานนั้นนั้นคือความต้องการยังไงแล้วมันก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมก็ลองดูว่ามันอยากได้อะไรสมมติมันอยากได้รูปมันก็สแสวงหาแต่รูปมันก็ทําเพื่อรูปถ้ามันอยากได้เสียงมันก็ทําทุกอย่างเพื่อให้มีเสียงบางบางคนก็บอกว่าโอชาตินี้ถ้ามีเครื่องเสียงแบบนี้แบบนแบบนี้ได้พอใจที่สุดเนี่ยนะมันถ้าบ้านเป็นโรงเป็นอะไรนะเป็น แค่ให้โรงหนังเป็นเทอเตอร์ในบ้านในตัวเองได้เนี่ยโอ้สุดยอดของความสุขละพวกนี้ก็มีมีจิตใจหมกมุ่นว่าถ้ามีเครื่องเสียงเปิดทํางานเหนื่อยขนาดไหนก็ช่างอ่ะกลับมาแล้วก็เปิดฟังเสียงนะบางพวกก็บอกว่าขอให้ได้มีรูปบางคนก็บอกว่าขอให้ได้มีกลิ่นแบบนี้มีรถนะมีโยมคนหนึ่งเขาชอบกลิ่นดอกไม้มากนั้นก็จะต้องปลูกไอ้ดอกไม้ที่เขาชอบรอบบ้านนั้นตื่นเช้ามาก็ได้สูตรไอ้กลิ่นอันนี้มา มันชื่นใจจริงๆเลยในชีวิตเขาบอกแม่มันมีความสุขมากะนะมีโยมคนหนึ่งก็ชอบไอ้กลิ่นกล้วยไม้พิศวาสกลิ่นกล้วยไม้นี่มากแดดร้อนเปรี้ยงปร้างขนาดไหนก็ต้องไปปลูกกล้วยไม้ไปรดน้ํากล้วยไม้แล้วกล้วยไม้นี่มันออกนานกว่าจะออกกันนะแต่ว่าทนได้รอได้ขอให้มาได้ออกมาแล้วจะได้ดมกลิ่นหอมระหว่างนั้นชื่นใจจริงๆแล้วมีคนหนึ่งนั้นอยู่ อน่ะแถวอีสานใกล้ๆเราโอ้ยได้ยินเสียงนกมันขันยังกับเสียงสวรรค์ก็งานมันยิ่งกว่าเสียงสวรรค์จริงๆมันเพราะมากเข้างันโอ้ยเขามาฟังเมื่อไหร่มันก็เสียงเดรฉ า, านนะนะฟังไม่ออกเลยฟังไม่เป็นเลยฟังเมื่อไหร่มันก็เสียงเดรฉ า, า น, น, นเอาไม่ไปร้องแบบนั้นบ้่งก็ไม่เอาอีกนั่นแหละฟังยังไงเมื่อไหร่ก็เสียงเดรฉ า, าน เขาไม่รู้โปรดปรานมากอะไรนะเขาก็โปรดปรานจริงๆเลยนะบางคนเนี่ยโปรดปรานพวกเสียงสัตว์เนี่ยนะโปรจริงๆเลยบางคนเนี่ยป ร, ปรัชอบเสียงนกมากติดใจในเสียงนกบางคนเนี่ยก็ชอบเสียงสุนัข น, น, นะมันเห่าทีหนึ่งอู้ดูมีความสุขเหลือเกินอย่างเง้ยนนะะต้องพันโน้นด้วยนะพันนี่ด้วยนะมันเห่าทีหนึ่งแหมดีใจมากเนี่พวกนี้มันก็ถามว่าถ้าต้องการอะไรเดี๋ยวมันก็ใจใจมันก็หมกมุ่นไปหาอันนั้นแหละมันมันมันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อย่างที่ตัวเอง ต้องการขอให้มีใจโน้มเอียงเถอะเพราะฉนั้นพวกอยากได้สีบางอย่างพวกอยากจะแต่งสวนให้ตัวเองอย่างได้ใจชอบก็ไปเที่ยวทําจนได้แต่งอย่างที่ตัวเองต้องการพวกอยากได้เสียงก็จะได้ไปแต่งเสียงอย่างที่ตัวเองต้องการพวกที่ต้องการกลิ่นก็ไปแสวงหากลิ่นอย่างที่ตัวเองต้องการพวกแสวงหารถนะพวกนี้ก็ได้รถอย่างที่ต้องการพวกแสวงหาโพธาภาก็จนได้โพธาภาอย่างที่ตัวเองต้องการแสวงหาธรรมรมแสวงหา เพื ry, ray, guard, ่อต้องการสตรีก็จนได้สตรีตามต้องการเพื่อแสวงหาบุรุษก็จนได้บุรุษตามที่ตัวเองต้องการนะพวกที่น้อมไปเพื่อการสละในที่สุดก็สละตามที่ตัวเองต้องการเพราะนั้นสิ่งใดที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาโดยที่สุดแม้แต่ปรารถนาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาและเป็นมนุษย์ตามที่ตัวเองต้องการผู้ที่ปรารถนานิพานในที่สุดก็ปฏิบัติจนได้บรรลุพระนิพานตามที่ต้องการ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็ต้องการ พ, พระนิพพานพระองค์ก็สแสวงหาจนได้ประสบพบ พ, พระนิพพานอย่างที่พระองค์ต้องการแต่แหมใช้เวลานานเหลือเกินนานมากเลยนะถ้าเทียบกับพวกบรรลุเร็วแต่ถ้าพวกเทียบกับพวกเฝ้าวัตานะพวกเฝ้าวัตนานกว่านั้น น, นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่รู้กี่หมื่นองค์แล้วนะเราก็ยังอยู่ตามเดิมเนี่ยนะทนมากรู้อดทนอะไรขนะกันานะขนาดนั้นก็รู้นะทนทนท น, ทนจริงๆ เขาบอกว่าอะไรก็ได้เว้นแต่พวกอะไรนะเว้นแต่ศึกษาปฏิบัติออกจากวัตตะอ น, นิีทนไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนทนได้หมดจะถูกเคี่ยมถูกตีถูกโบยถูกเข็นถูกฆ่าถูกพาถูกตัดถูกอะไรทําทนได้หมดอนะ่ะเว้นอย่างเดียวถ้าศึกษาเพื่อออกจากวัตตะอ น, นิีทนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวก็ทนได้ก็เรียกว่าทนเรื่องนี้ขอบเขตจํากัดแต่เรื่องอื่นทนได้ไม่มีปริมาณที่จํากัดเนี่ยนะเพราะว่ามันความต้องการมันเป็นตัวบอก คือความต้องการอธิมุตของเขาเป็นตัวบอกพันสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังมีพระชนอยู่พระ อ, องค์รู้อธิมุตของผู้ใดเขาต้องการอะไรเนี่ยนะเขาต้องการอะไรแล้วเบนประเด็นได้ไหมคนเหล่านั้นสงเคราะห์ได้ไหมอะไรเป็นต้นได้ไหมพระ อ, องค์รู้เพราะพระองค์รู้พระ อ, องค์ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้อย่างเต็มที่ถ้าอย่างสมัยใหม่เนี่ยไม่มีใครรู้ใครขนาดนั้นใช่ไหมเมื่อไม่มีใครรู้ใครเนี่ยนะถ้าเรามียธิมุตเลวทําไง อธิมุตก็คืออัธยาศัยมันอันเดียวกันสนับสนุนต่อไปใช่ไหมเออในเมื่อมันเลวแล้วไหนๆมันก็เลวก็ให้มันเลวให้สมบูรณ์แบบนะคงไม่อย่างนั้นละมั้งเนาะก็ต้องน้อมไปที่จะแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงะนะอะไรที่มันเลวๆก็ตัดออกไปอะไรที่ดีๆก็เพิ่มพูนอะไรที่เลวถึงจะชอบก็ก็สมาทานเพื่อที่จะลาเพื่อที่กําจัดออกไปสิ่งใดที่ดีๆถึงจะไม่ชอบแต่ก็ต้องสมาทานแล้วก็อธิฐาน เอาบ่อยๆก็เปลี่ยนได้เนี่ยนะเปลี่ยนความคิดนี่เปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนทำไมเนี่ยนะสอนก็เปลี่ยนได้เป็นสิ่งที่แปลได้อัธยาศัยทั้งหลายก็แปลได้เนี่ยนะถ้าแปลไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนอสุภะเพื่อละราคะทำไมใชม่ถ้าแปลไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนเมตตาเพื่อให้ละโทสะทำไม ถ้าแปลไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนอนิจจานุปัสสนาเพื่อให้ละมานะทาไมนะถ้าหากว่าแปลไม่ได้พระองค์จะสอนอนัตตานุปัสสนาเป็นต้นเพื่อให้ถอนออกจากวัตตะทำไมแต่เนื่องจากแปลได้นะนะแปลจากอัธยาศัยวัตะมาเป็นวิวัตะได้ก็อยู่ที่ว่าเห็นประโยชน์ไหมว่าคือก็อยู่ที่ว่าอะไรนะอยู่ที่ความปรารถนาที่สูงสุดของเราจริงๆเราต้องการอะไรอย่างว่าเกิดมาในชาตินี้เกิดมาหาอะไรกันแน่ มาหาอะไรเนี่ยนะบางคนก็มีปณิธานที่ต่ําๆคับแคบบางคนก็กว้างขวางบางคนก็ยิ่งใหญ่เสและได้ความปรารถนาเหล่านั้นก็ทําให้สแสวงหาแล้วก็ต้องการในสิ่งเหล่านั้นนะเราอยู่ที่ว่าเกิดมาชาติปรารถนาอะไรพอปรารถนาสิ่งใดๆนะมันก็ทำทำทำําเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ย่อมสมาทานกรรมหกประเภทด้วยกัน เพื่อให้ได้สิ่งน um ั้นมานะเช่นบางพวกสมาทานที่จะทำด้วยอำนาจความโลภนี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองบางพวกสมาทานที่จะทำด้วยอำนาจความโกรธบางพวกนี้สมาทานเพื่อให้ได้อำนาจความรุ่มหลงบางพวกสมาทานทำด้วยอานาจศรัทธาบางพวกบางพวกสมาทานที่จะทำด้วยอำนาจความเพียรบางพวกย่อมสมาทานที่จะทำด้วยอานาจของปัญญา อย่างสมมติถ้าบางพวกเนี่ยปราเช่นที่เขาเรียกว่าปราถนาความร่ํารวยเนี่ยบอกชาตินี้ถ้ารวยได้ถือว่าเป็นความวิเศษที่สุดทีนี้ทํายังไงจะรวยได้บอกต้องโลภมากๆากทำยังไงก็ได้ที่ทําด้วย อ, อํานาจของความโลภสมาทานทาด้วย อ, อํานาจของความโลภ บ, บางพวกโลภก็ก็แล้วแต่นะเพราะความโลภเป็นส ม, มุทฐานให้ทุจริตนะทำอัจฉริยะทานเป็นต้นก็ได้ทํากามีก็ได้เป็นต้นบางพวกบอกว่าไม่ได้ต้องต้อ ง, ต, องต้องโกรธจึงจะได้ คำว่าคาว่าโกรธนี่แปลว่ารวมไปถึงฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่ามากๆเราก็จะได้อย่างที่ตัวเองต้องการพวกนี้ก็สแสวงหาอำนาจด้วยการเที่ยวเข้นฆ่าผู้อื่นนะ ก, ก็สุดแท้แต่ว่าอะไรคือสาระของเขาบางพวกก็ทำด้วยอำนาจของความลุ่มหลงคือเมื่อมีเป้าหมายเนี่ยนะทุกคนก็มีเป้าหมายแห่งชีวิตกันทุกคนแล้วเนี่ยนะเมื่อทุกคนมีเป้าหมายแห่งชีวิตทุกคนบอกว่าชีวิตของเราควรอยู่ในกลุ่มสายลก สายกโกรธหรือสายลุ่มหลงดีนะสายโลภก็คืออะไรก็สายสายไหนสายโลภทํายังไงในกลุ่มที่บอกมากไปด้วยความโลภจริงๆบางพวกก็มากไปด้วยความโกรธจริงๆต้องเคนต้องฆ่ายอย่างเดียวบางพวกก็อยู่ด้วยความหลงงมงายจริงๆเห็นไหมที่จริงเนี่ยธาตุในโลกเนี่ยมันอาชีพเนี่ยนะก็ดูว่าสายอาชีพมันบอกว่าอาชีพเนี่ยมาจากสายโลภสายกโกรธหรือ สายหลงหรือสายเจ้ายศเจ้าอย่างหรือเจ้าระเบียบเจ้ามานะเจ้าอะไร ก, ก็ว่าไปตามนั้นก็สุดแท้แต่ว่าไอ้พื้นฐานทางความคิดมันคืออะไรนะแต่บางพวกก็ถือเอากรรมี่ยนอำนาจของศรัทธาเนี่ยนะสมาฐานศรัทธาสมาธานวิริยะและปัญญาในสองกลุ่มกรรมทั้งหกประเภทจัดเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกรรมที่ทาให้ถึงวั ต, ตะนะเรียกว่าเป็นการทากรรมเพื่อวั ต, ตะจริง วัตะสงสารชื่อเต็มว่าวัตวัตมิกิยังวัตะวัตะวัตะมีสามคือกรรมวัดวิปากวัฏและกิเลสวัดสังสาระคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปเพราะคำว่าสงสารตรงนี้เป็นชื่อของขันอายตนะธาตุขันธาตุอายตนะบางกลุ่มเป็นกรรมบางกลุ่มเป็นวิบากบางกลุ่มเป็นกิเลสเพราะบางทํากรรมเพื่อวัตตะอย่างเดียว สร้างกรรมเพื่อวิบากสร้างวิบากเพิ่มพูนกิเลสเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะทำกรรมเพื่อให้มีวิบากเมื่อได้รับวิบากมันจะได้เพิ่มพูนกิเลสให้มันเต็มที่นะให้มันสุดๆเลยนะบางพวกคล้ายๆว่าถ้าสายโทสะนะเขาบอกว่าต้องต้นเอาสัตว์มาไว้แล้วเราอยากจะฆ่าสัตว์ตัวไห น, นเราก็ฆ่าได้อย่างที่ใจต้องการอยากจฆ่าเมื่อไรอะไ ร, ะไรยังไงก็ได้อย่างที่ต้องการไอ้พวกสายกาเมย์มันก็ทํำยังไงจะได้กาเมอย่างได้อย่างที่ตัวเอง ต้องการพระพู้นี้ก็เน้นกรรมที่เป็นไปเพื่อวัตตะสงสารเป็นต้นแต่ว่าเบื้องเบื้องพื้นฐานลึกๆของสิ่งเหล่านี้ก็มาจากโลภโกรธและความรุ่มหลงนั่นเองส่วนกรรมที่ทำให้ถึงพระนิพพานก็กรรมไหนก็ศรัทธาวิริยะและตัญญาถ้าเป็นกลุ่มพระพุทธเจ้านี้เห็นชัดเลยนะพวกศรัทธาที่กะวิริยาที่กะและตัญญาที่กะนะเอาแบบสูงสุดเลยนะ พระพุทธเจ้าที่เป็นศรัทธาที่กะพระพุทธเจ้าที่เป็นวิทยาที่กะและพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาที่กะพวกปัญญาที่กะเนี่ยนะพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มอุคติตันยูบรรลุเร็วพวกศรัทธาที่กะกลุ่มนี้จะเป็นวิปปัญจิตัญยูพวกบรรลุตานกลางพวกที่วิิยาที่กะพวกนี้จะเป็นนัยยะพวกนี้รู้ช้าเนี่ยนะรู้ช้า มันแต่ว่าจะด้วยศรัทธาด้วยวิรยิยะหรือด้วยปัญญาในที่สุดก็นําออกจากวัตทุกขได้บางคนอาศัยแต่ความเชื่อเป็นหลักชนเหล่าใดที่เชื่อพระพุทธเจ้าศรัทธาคือศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เชื่อไปหมดนะ น, นะเชื่อลิงเชื่อช้างเชื่อเชื่อคนเลวเชื่อนักฆ่าเชื่อนักโกงเป็นต้นไม่ได้แบบนั้นแต่หมายถึงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระรัตนตรยัยก็นําออกจากทุกได้หรือเพียรภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนก็นําออกจาก ทุกได้หรือมีความรู้ความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีก็นําออกจากทุกได้มันกรรมนี้จึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกรรมเพื่อวัตฏะกับวิวัฏะเนี่ยนะกรรมเพื่อวัตฏะกับวิวัฏฏะเอวัฏฏะกับวิวัตะมันต่างกันยังไง ร, รู้ได้ยังไงว่าเออเนี่ยเรานี่มันวิวัฏะนะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเอาอะไรเป็นเรื่องตรวจสอบอุ้ยเรามันนักวิวัตะหรือเรามันนักวัตฏะกันแน่ อะไรเป็นเครื่องวัดก็บอกว่าคนเหล่านี้เขาบอกว่าตรวจง่ายๆพวกนี้มองว่าการเกิดในนรกเนี่ยเป็นทุกข์เอาเรื่องนี้มาคิดเป็นเรื่องหลักนะการเกิดในนรกมันเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดในนรกเนี่ยมันเป็นสุขเริ่มคิดนะถ้าเกิดเป็นเปรตมันเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดเป็นเปรตนี่เป็นสุขไอ้ไม่เกิดนั่นแหละเป็นเป็นสายวิวัตตะนั่นะถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานนี่มันเป็นทุกข์ ถ้าไม่เกิดเป็นเดรชานนี่เป็นสุขการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดนี่เป็นเป็นสุขการเป็นไปในเทวดาก็ทุกข์ด้วยอำนาจกิเลสเป็นต้นถ้าไม่เกิดนี่เป็นสุขก็คือเริ่มคิดเลยนะทีนี้ความแก่นี่มันเป็นทุกข์ถ้ารู้ธรรมที่ไม่แก่เนี่ยเป็นสุขความตายนี่มันเป็นทุกข์ความไม่ตายนี่เป็นสุขเริ่มคิด ความไม่สบายใจนี่มันเป็นทุกข์ถ้าดับความไม่สบายใจได้เด็ดขาดเป็นสุขความเสียใจนี่เป็นทุกข์ถ้าดับความเสียใจได้เป็นสุขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักมันเป็นทุกข์ถ้าตัดชั้นราคะในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขเป็นต้นก็เริ่มคิดระวังวัตตากับวิวัตะผู้ที่ใคร้ครวญแบบนี้เนี่ยนะก็น้อมจึงน้อมไปเพื่อจะออกจากวัตต์ไม่ใช่บอกว่าเขาก็นิพพานก็อนิพพานไปกับเขาไปอย่างนั้นแหละ ถ้าอย่างนี้ไม่แน่นะตอนแรกก็ปรารถนานิพานชื่อนิพานเหมือนกันในที่สุดนิพานคนละคนละนิพานเพรา ะ, ะถ้าอย่างสมัยนี้จะรู้ได้เลยว่านิพานเนี่ยคนละสายคนละสายคนละกลุ่มคนละกอกแต่ชื่อเหมือนกันยี่ห้อสติ๊กเกอร์ปิดไว้เหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าสภาวะแตกต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธรูปเนี่ยก็ปั้นแบบแบบเดียวกันเนี่ยที่ตั้งตั้งไว้แต่ความรู้สึกของเขาอะพระพุทธเจ้าของแต่ละ กลุ่มไม่เหมือนกันคําสอนของพระพุทธเจ้าของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าที่ว่าปฏิบัติดีกับของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสัจจะของของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันถ้าไม่แตกต่างกันข้อปฏิบัติจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่นี้มีความแตกต่างกันมากนันเราก็มาทบทวนดูว่าพระพุทธเจ้าสอนระหว่างข้อปฏิบัติให้ถึงวัตถะกับ วิวัตต์เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติใดนําไปสู่วัตต์ข้อปฏิบตัติใดนําออกจากวัตต์อันนี้เราก็ต้องมาพยายามที่จะตรวจสอบนะจะใช้คำว่าตรวจสอบเลยเขาบอกว่าพยายามที่จะนั่งใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยให้มากที่สุดแล้วศึกษาว่าพระรัตนตรยัยท่านประสงค์อะไรพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรคําสอนของพระองค์เป็นอย่างไรสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรอะไรก็ช่างเถอะให้ใจของเราเนี่ยไป อุบาสกอุบาสิกาแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นั่งใกล้ชิดพระรัตนตรยัยผู้นั่งผู้นั่งใกล้พระรัตนตรายหรืออยู่ชิดกับพระธรรมตรายนั่นเองชีวิตของเราทั้งหลายก็ควรให้เป็นไปกับพระธรรมตรายถ้าไม่เป็นไปกับพระรัตนตรายเราไม่รู้หรอกว่าเราทำผิดหรือเราทำถูกเพราะบางทีนี่เรานี่เด็กเกินไปที่จะเข้าใจอะไรอะไรเด็กเมื่ออายุมากเนี่ยมันลบาบากเหมือนกันนะ ถ้าเด็กๆแล้วอายุน้อยเนี่ยมันพอบอกพอสอนกันได้บอกไม่ยากแต่เด็กแล้วอายุมากนี่ยากจริงๆเลยนะเพราบอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยนะก็เอะอะก็พูดแต่เรื่องนี้แหละตลอดน่าเบื่อจะตายนะนี่มาดูว่าพวกที่ทํากรรมเนี่ยนะทำกรรมด้วยอํานาจความโลภความโกรธและความลุ่มหลงอผู้ที่ทําโลภโกรธหลงเนี่ยนะพวกเนี้เป็นกรรมดํา เพราะว่าความโลภโกรธหลงเนี่ยนะถ้าเป็นรากเง่าออกมาทางกายเรียกว่ากายทุจริตถ้าพุ่งออกมาทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตถ้ากลุ่มรุมคีดอยู่ภายในใจก็เป็นมโนทุจริตถ้ากายทุจริตถ้ามีกําลังมากก็ล่วงกรรมบทวจีทุจริตที่มีกําลังมากก็ล่วงกรรมบทมโนทุจริตที่มีกําลังมากก็ล่วงกรรมบทก็ทาความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ น, นี้แหละพระองค์เรียกว่า เป็นกรรมดําดแล้วก็วิบากดําวิบากดําดเป็นยังไงนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ว่าไอ้คำว่าผลดําปีเลยเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นนรกอัน น, น, นี้แน่นอนแล้วว่าคําว่าดำเนี่ยในนรกนี่สีทองนะสีเปลวไฟมันออกเหลืองๆเลยแต่ไอ้คำว่าดําในที่นี้คือมันให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะมันให้ผลเป็นทุกข์เหล็กที่มันผูกไฟร้อนเผาเต็มที่กับทองมันต่างกันตรงไหน ไม่ต่างกันใช่นั่นแหละเวลาเห็นทองก็นึกถึงไฟไ้ด้วยสรุปว่าถ้ากรรมดำะนะกรรมที่ล่วงอกุศลกรรมบทนี่ก็ให้ผลเป็นความทุกข์ถ้ากรรมกรรมที่ทำโดยอำนาจศรัทธาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นกรรมขาวกรรมที่ทำด้วยศรัทธาเนี่ยเป็นกรรมขาวเพราะศรัทธานี่เป็นเหตุให้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจ ก็เป็นกรรมที่กรรมขาวก็เพราะไม่เจือด้วยกิเลสให้ผลขาวก็เกิดในสุคติเป็นมนุษย์นี่ยแสดงว่าในอดีตเราเป็นผู้มีศรัทธานะจงนึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็มีกรรมสกตาศกาสถาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อดีเชื่อชั่วทําบุญทําบาปทําดีทําชั่วเอ่อทำบุญไม่ทำบาปบ้างะนะทำบาไม่เคยทําบาปมาเลยอกุศลไม่ตามเล่นงานขนาดนี้กันหรอกนี่นะแต่ก็เนื่องจากว่าอาจจะมีสลับละเคล้ากันไปแต่รวมๆก็คือทํากรรม กุศลกรรมบทเป็นกรรมขาวจึงให้เกิดในสุคติเป็นมนุษย์และเทวดาเป็นต้นถ้าผู้ที่ทำทำกรรมใดสลับคระเครากันไปบางครั้งก็โลภ บ, บางครั้งก็โกรธบางครั้งก็หลงบางครั้งก็มีศรัทธากรรมนี้เป็นกรรมทั้งดำทั้งขาวใช่ไหมเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็มหลงแสดงว่าเขาบอกว่าเก่งนะสลับได้เหมือนเก่งนะสลับดีชั่วคร่าค้ากันไป เดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปพวกนี้ก็ทํากรรมทั้งดําทั้งขาวฟัผลออกมาจึงทั้งดําทั้งขาวผลทั้งดาทั้งขาวเป็นไงเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องให้เดี๋ยวก็บอกว่าได้เดี๋ยวก็บอกว่าเสียเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ป่วยนะทวารตาสีไม่ดีแต่ทวารหูถูกด่าเออทวารตาเนี่ยดูแต่สิ่งสวยๆทวารหูถูกแต่ด่าอย่างเงี้บางพวกทวารหูฟังแต่เสียงเพราะแต่ทวารตาเลวมากใช้ไม่ได้ บางทีเนี่ยมันก็สุขทุกข์สลับทวารกันไปบางพวกนะทวารตาก็ดีทวารหูก็ดีทวารจมูกก็ดีทวารลิ้นก็ดีแต่ทวารกายเนี่ยป่วยตลอดอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยทวารกายไม่ป่วยเลยแต่ทวารตาก็ใช้ไม่ได้ทวารหูก็ไม่ได้ก็แค่ว่าว่าเป็นทวารทวารไปหรือว่าเป็นช่วงๆไปเป็นทักๆบางทีก็กลางวันก็ดี กลางคืนก็เลวร้ายมากบางทีกลางคืนก็เลวร้ายกลางวันก็ดีดีบางทีก็เดือดร้อนตอนเช้ามีความสุขในตอนเย็นบางคนก็เดือดร้อนในตอนเย็นแล้วก็มีความสุขในตอนเท้าพวกนี้แหละเป็นผลของทำมาทั้งดีและชั่วทำมาทั้งบุญและบาปมันมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมมนุษย์เดรัจฉานบางกลุ่มนี่เป็นอย่างนั้นบางพักหนึ่งก็สบายอีกพักหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยอนะพวกเปรตก็เหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มเวมานี่กับเปรตพวกนี้ทำมาทั้งดีทั้งชั่ว เพราะฉะนั้นสิบห้าวันเป็นเทวดาอีกสิบห้าวันเป็นเปรตเนี่ยนะเป็นสัตว์ในอาบายอีกเจ็วันเนี่ยดีอีกเจ็ดวันนี่เลวหรือบางทีก็กลางวันนี่มีความสุขเป็นเท พ, พบุตรเทพธิดากลางคืนเป็นเปรตหรือบางทีกลางคืนเป็น เ, เ, นเทวดากลางวันเป็นเปรตก็สลับกระเคข้ากันไปเนี่ยนะ <c oughs> พวกนี้แหละผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วมัน ว, วิบากที่ได้รับจึงได้รับทั้งผลแห่งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเรายังต้องทําดีและชั่วอยู่นะก็พยายามอย่าลืมนะว่ากุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลถ้าสมมุติถ้าเราทําอกุศลเมื่อไรปั๊บก็บอกในใจถ้าจะทุกข์บ้างก็ทนเอานะใช่ไหมอ้าวก็คุยกับตัวเองตรงๆสิก็บอกถ้าจะทุกข์บ้างก็ทนเอานะเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ที่ไม่ดีปลูกปลูกบาปเอาไว้ในจิตในใจของเราถ้ามันจะทุกข์บ้างอาจจะทุกข์บ้างจะเจ็บบ้างจะปวดบ้าง เอานะอย่าไปว่าอย่าไปตาหนิอย่าไปทุกข์ใจก็ต อ, ตอนทําเหตุก็ไม่เห็นว่าเราเดือดร้อนมากเลยก็เต็มใจที่จะทํานี่นี่ถ้าตอนสวยทําบุญนะก็บอกเออถ้าให้ผลเป็นความสุขกมุทิตากับตัวเองนะเป็นตน้นก็พยายามระลึกถึงเพราะว่าทั้งกุศลและอกุศลที่เพาะปลูกลงในจิตใจของเรามันก็ประกาศถึงอนาคตของเราถึงเราไม่สนใจในอนาคตก็ตามแต่ว่า สิ่งที่เราทำทุกขณะทุกขณะมันจะแปรหมดสภาพกลายเป็นอดีตแล้วก็จะมีวิบากต่อไปในอนาคตวิบากที่ได้รับก็ทั้งดำและขาวเพราะฉะนั้นทั้งหวานและขมขืน mm hmm. เคยเห็นยายาอะไรนะยาขมผสมน้ำหวานเลยใครเคยทานบ้าง mm hmm. เอมานาัสการอีกทวาลหนึ่งก็ขมขืนมาก mm hmm. อยากอาเจียนนักเกินเ อ, เอแต่ก็หวานนะทั้งหวานและขมคืนก็สลับข้าเข้ากันไปใช่ห ก็อย่างนี้แล้วทํามาทั้งดีทั้งชั่วทํามาทั้งบุญทั้งบาปจะอย่าไปเดือดร้อนอะไรให้มากมายทําใจไว้เธอว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเอาก็ทําไปแล้วเนี่สมบัติส่วนตัวนี่แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยที่พูดทั้งหมดเพื่อจะได้มองว่าสิ่งที่เราทํามันคืออนาคตต่อไปนี่แหละจะได้พยายามทบทวน เ, เราต้องพยายามฝึกคิดตามพระพุทธเจ้าไว้เสมอว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดทุกอย่างเนี่ยคือการเพราะปลูกเหตุ แห่งอนาคตต่อไปเนี่ยนะพันโลกเนี่ยนะอันคิดว่าโลกเนี่ยอยู่นิ่งได้ไหมที่จะไม่ดําเนินต่อไปเลยเป็นไปได้ไหมียกว่าหยุดโลกได้ไหมไม่ได้หยุดชีวิตได้ไหมไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้สิ่งที่เราทํำนี่แหละคือเหตุต่อไปในอนาคตเนี่ยเหตุต่อไปในอนาคตพระองค์จึงบอกว่าผู้มีปัญญาดีเขาจึงเลือกทำทําอะไรก็ตามทําแล้วต้องเสียใจในภายหลังเดือดร้อนใจในภายหลังลําบากใจในภายหลังสิ่งนั้นทําแล้วไม่ดี อย่าทำเลยเพราะอะไรเพราะทำแล้วก็น้ำตาเช็ดเช็ดตรงไหนดีเป็นแบบโบราณเรืน่น้ำตาเช็ดหัวเข่าใช่ไหม <c oughs> แสดงว่านั่งแบบอะไรนะนั่งนั่งคุกอะไรนะนั่งเรียกนั่งชันเขานั่งกอดเขานะนั่งกอดเขาน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะไรโอ้ยนี่เศษกรรมนะเนี่ยเบาๆาแล้วที่แค่เสียน้ำตาหนักกว่านั้นันเสียเลือดอย่างนนี้ก็เบานั่งก็เสียชีวิตอีกโอ้ยเสียชีวิตก็ไม่เท่าไหร่ ไอ้ตกนรกเนี่ยมันหนักที่สุดแล้วตกนรกเนี่ยตามนั้นน่ะหนักที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอกุศลเราก็มาศึกษาดูว่าออไอ้ความปรารถนาของเราเราจะปรารถนาอะไรก็ช่างเถอะแต่โดยมากความปรารถนาเนี่ยมีเหตุผลจนคนบางคนต้องทําอกุศลก็อไอ้ความปรารถนาที่ที่ต้องการเนี่ยนะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นเหตุของอกุศลไหมอันนะ อกุศลที่เกิดขึ้นไหมถ้าสิ่งที่เราต้องการแปลจากอากุศลให้เป็นกุศลได้ไหมเนี่ยนะสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ทำกุศลต่อได้หรือเปล่าก็มาศึกษาแยกแยะดูเพราะว่าพวกนี้มันเป็นธรรมสาเหตุความต้องการเป็นเหตุให้ทำกรรมทีนี้กรรมที่ทำเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยใช่ต้องการผลแห่งความดีแต่พลไปทาชั่วบางคนต้องการผลแห่ง ไม่มีใครต้องการผลที่ไม่ดีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องการผลที่ตัวเองต้องการแหละทำดีก็มีบางคนก็ทาชั่วก็มีนั้นไอ้อาสาัตขออภัยทศพลยานนาณทิมุติยานกับกรรมสมาทานเนี่ยนะยานที่ที่ยกรู้กรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตของพระพุทธเจ้าจึงต่อกันบรรดากรรมเหล่านั้น กรรมที่ทำด้วยอานาจวิริยะและปัญญากรรมนี้เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวก็หมายถึงกรรมที่ประกอบด้วยอ ร, ริยมรรคกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่แหละให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะกรรมอันนั้นทำด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่ว่าจะเป็นโสดาปฏิมรรคสะกธาคามรรคอนาคา click, มรรคและอรหัตมรรค กรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมถ้าโสดาปฏิมรคเกิดขึ้นสิ้นกรรมที่จะทําให้เกิดในอบายทุคติวินิบาศนารกหมดเลยสิ้นกรรมที่จะทําให้เกิดในภพที่แปดเป็นต้นถ้าหากว่าสกกะทาคามีมร์นี้เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมที่จะทําให้เกิดในมนุษย์ในภพที่สองเป็นต้นถ้าอนาคามิมร์สิ้นกรรมที่จะนํามาเกิดในกรรมมาภพถ้าอรหัตมร์ ก, ก็นําเป็นมร์ที่นําออกจากวัตฏะโดยประการาทั้งปวงเพราะฉะนั้น กรรมที่ทําด้วยอํนนานาจวิริยะปัญญาเป็นกรรมไม่ดํำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะเมื่อสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นวิบากเมื่อสิ้นวิบากก็ถือว่าเป็นอันสิ้นทุกข์